วันนี้เป็นวันพระสมัยก่อนวันพระจะเป็นวันหยุดทํางานสมัยโบราณสมัยนี้วันพระไม่ไม่ได้ตรงกับวันหยุดทํางานเหตุที่สมัยก่อนเป็นวันหยุดทํางานก็เพราะว่าอ เราไม่ได้ติดต่อกับทางโลกประเทศอื่นประเทศอื่นเขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันเราหยุดวันพระวันโกนแต่สมัยนี้เรากติดต่อกับทางต่างประเทศทำการค้าทำธุรกิจกับต่างประเทศก็เลยต้องปรับ วันหยุดของเราไปเป็นวันสาวันาทิตย์วันพระก็เลยไม่ตรงกับสาวทิตย์บางทีก็ตรงนานๆทีเพราะวันพระของเราใช้ปฏิทินทางันทางจันทรักษคติทางทางโคจรของดวงจันเรานับวันตามวันขึ้นแรมของของพระจัน วันขึ้นก็สแสดงว่าพระจันทร์เริ่มมีเริ่มมีแสงสว่างขึ้นขึ้นสิบห้าวันก็จะเต็มดวงแสงสว่างก็จะเต็มดวงวันแรมก็เป็นวันที่พระจันทร์จะหมดแสงสว่างสิบห้าวันพระก็จะมืดอ๋อถึงวันแรมสิบห้าค่ำก็มืดอ สมัยก่อนเราใช้วันขึ้นแรามเป็นวันพระอันคือวันขึ้นแปดค่ําวันแรามแปดี่ำอย่างวันนี้ก็เป็นวันขึ้นแปดค่ําแสดงว่าพระอาจารย์นี้สว่างมาแปดวันแล้วยังไม่เต็มดวงครึ่งทางอีกเจ็ดวันถึงจะแสงสว่างถึงจะเต็มดวงสิบห้าค่ำ วันพระก็จะเป็นวันขึ้นแปดค่ำขึ้นสิบห้า่ำแรมแปดค่ำแรมสิบห้าค่ำทำไมถึงมีวันพระก็วันพระนี้มีไว้ให้เรามาวาดกันนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนให้เราหยุดทำงานกันอาทิตย์ละหนึ่งวันหานะความสุขทางร่างกายกัน แล้วให้มาหาความสุขทางทางใจกัน mm. เพราะว่าต่อไปร่างกายเราจะแก่ร่างกายเราจะเจ็บแล้วร่างกายเราจะตาย mm. เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราจะหาความสุขกันไม่ได้ถ้าเราหาความสุขทางร่างกายกัน แต่ถ้าเราวันพระนี้เรามาหัดหาความสุขอีกแบบหนึ่งนะหาความสุขทางใจกันใจนี่ดีกว่าร่างกายตรงที่ว่าใจไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายเราสามารถหาความสุขทางร่างกายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปเราอาศัยร่างกายไม่ได้ เาอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราไม่ได้ตาหูจมูกเล่นกายมันจะเสื่อมมันจะแก่มันจะเจ็บแล้วมันจะตายกันตอนนั้นถ้าเราไม่รู้จักหาความสุขทางใจเราจะไม่มีความสุขเราจะมีแต่ความทุกข์ความซึมเศร้าความเศร้าส่้อยองหงอยเหงาความว้าเหว เพราะเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้และเราก็ไม่รู้จักหาความสุขทางใจกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นอนาคตของพวกเราว่าต่อไปเราจะพึ่งร่างกายของเราไม่ได้แต่เราจะพึ่งใจของเราได้เราจึงควรมาหัดหาความสุขทางใจกันจะได้มีทางเลือก เหมือนกับสมัยนี้เขามีรถที่ใช้น้ามันกับใช้แก๊สถ้าน้ามันหมดเติมแก๊สก็ยังวิ่งได้อยู่แต่ถ้ารถใช้น้ามันอย่างเดียวพอน้ามันหมดไม่มีน้ามันขายซื้อน้ามันไม่ได้ก็วิ่งไม่ได้แต่รถที่วิ่งได้ทั้งใช้ได้ทั้งน้ามันใช้ได้ทั้งแก๊สก็ไม่เป็นไม่มีปัญหา ถ้าไม่มีน้ำมันขายยังมีแก๊สขายอยู่ก็ไปซื้อแก๊สได้มาเติม <c oughs> เราต้องฉลาดเราต้องมีวิธีหาความสุขมีทางเลือกเผื่อทางนี้เป็นอะไรไปเราจะได้ไปอีกทางหนึ่งได้ <c oughs> เหมือนไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีแบตเตอรี่สำรองไว้ไฟฉุกเฉินฮะ ตามโร ง, งแรมตามโรงพยาบาลนี้เขาจะมีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้เพื่อไฟฟ้าดับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเกิดมีฝนตกมีพายุบางทีสายไฟลม้มสายไฟขาดไฟฟ้าก็จะดับแต่ที่ไหนที่ก็มีเครื่องปั่นไฟหรือก็มีแบตเตอรี่สำรอง เขาก็ยังจะมีฝายใช้อยู่นี่คือคนฉลาดคนฉลาดจะคอยที่จะหาวิธีที่จะทำให้เขาไม่เดือดร้อนเขาไม่พึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเขารู้ว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนเครื่องไฟฟา้าเนี่ มันไม่แน่นอนวันดีเกินดีไฟก็ดับได้ถ้ามีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้หรือมีแบตเตอรี่ไฟที่ใช้แบตเตอรี่ถ้าพวกเราตามบ้านก็อาจจะใช้เทียนกันก็ได้ใช้ไฟชายพอเวลาไฟดับเราก็ยังจะมีไฟไว้ให้แสงสว่างกับเราได้ เราก็จะไม่เดือดร้อนทันใดการหาความสุขทางใจก็เป็น เ, เป็นวิธีที่เราจะใช้เป็นการสำรองหาความสุขกันในเวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรไปเราก็ยังสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขทางใจกัน แล้วความสุขทางใจนี้มันก็ดีกว่าความสุขทางร่างกายด้วยเพราะว่ามันสามารถหาได้ตลอดเวลาเพราะใจไม่มีวันตายใจไม่มีวันแก่ใจไม่มีวนัวนเจ็บไม่มีร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้พวกเทวดานี่เขาไม่มีร่างกาย แต่เขาก็ามีความสุขมากกว่าตอนที่เขามีร่างกายด้วยนะเพราะเขารู้จักวิธีหาความสุขทางใจนะโลกเทเวดานี้เขาตอนที่เขาเป็นมนุษย์นี้เขาหาเขาศึกษาวิธีหาความสุขทางใจกนะัพอร่างกายตายไปเขาก็มีความสุขทางใจต่อนั่ง ร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ต้องตายไปแต่ใจนี้เป็นร่างร่างกายที่เรียกว่าร่างทิพย์กายทิพย์ที่ไม่ตายถ้ารู้จักหาความสุขให้กับใจเวลาตายไปใจก็จะเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเป็นพระอริยะบุคคลไปเพราะบุคคลเหล่านี้ใจเหล่านี้เขารู้จักวิธีหาความสุขทางใจกัน เพาะไม่เดือดตอนเราจึงควรที่จะมาศึกษาวิธีหาความสุขทางใจกันเพราะต่อไปเราจะหาความสุขทางร่างกายกันไม่ได้เวลาร่างกายแก่จะไปไหนมาไหนก็ลําบากจะดูจะฟังอะไรก็ลําบากตาก็ไม่ดีตาก็มัวหูก็หนวก ฟังไม่เคยรู้เรื่องฟังไม่ได้ยินตอนนั้นจะหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจกันพระพุทธเจ้าเลยสอนให้เรามาหัดหาวิหาความสุขทางใจกันวันพระนี้เราหยุดหาความสุขทางร่างกายแล้วเรามาหาความสุขทางใจกัน วิธีหาความสุขทางใจก็เราต้องมารักษาศีลรักษาศีลแปดกันมันธรรมดาเรารักษาศีลห้าศีลห้านี่ก็จะป้องกันให้ใจของเราเวลาที่ร่างกายตายไปใจของเราจะไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในโลกทิพย โลกทินี้มีทั้งสวรรค์มีทั้งตารางมีที่ท่องเที่ยวกับมีมีคุกมีตารางถ้าใจทําบาปในโลกนี้เวลาตายไปใจจะต้องไปติดคุกติดตารางใจต้องไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นสัตว์นรกนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องมา ถือศีลห้ากันในวันธรรมดาถือศีลห้า mm. เพื่อป้องกันเวลาตายไปจะได้ไม่ต้องไปไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ถ้าตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาถ้าทําบุญก็ได้ไปเป็นเทวดาถ้าไม่ได้ทําบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทําบา ถ้าทำบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดราจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนั้นมันธรรมดาพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราที่กำลังหาความสุขทางร่างกายให้หาความสุขแบบที่ไม่ต้องทำบาปอย่าไปหาความสุขแบบทำบาปเช่นไปประพฤติผิดประเวณีอันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นเดรัจฉาน ในราชาหนี้เขาประพฤติผิดประเวณีกันเป็นนิสัยในราชาหนี้เขาไม่มีคู่เขาไม่มีคู่ที่ถาวรเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาเจอใครที่ไหนเมื่อไหร่เขาชอบกันเขาก็จับคู่กันเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ไปคนละทางกันเขาไม่มีครอบครัวเหมือนมนุษย์น ถ้าอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ต้องอยู่แบบมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็ต้องมีครอบครัวมีสามีเดียวมีภรรยาเดียวรักเดียวใจเดียวไม่ประพฤติผิดศีลข้อสามข้ อ, อการเมสุมิฉาจาราวาีรมณีจาระเวนจากการประพฤติผิดประเพณีของมนุษย์เนี่ยประเพณีของมนุษย์ก็คือเนี่ย มีครอบครัวมีสามีมีภรรยามีการสู่ขอจากวิดามารดาของกันและกันให้ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เป็นเจ้าของของลูกๆเวลาใครจะเอาลูกของพ่อแม่ไปก็ต้องไปขอไปสู่ขอไปขออนุญาต เช่นผู้ชายอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงก็ต้องไปขออนุญาตพ่อแม่ของผู้หญิงก่อนไม่ใช่ไม่ใช่แบบหนีกันไปแล้วก็มาขอขมากันอันนี้ก็เป็นแบบเดรัชานเดรัชานนี่เขาไม่ได้ไปขอครับเขาไม่ได้ไปขออนุญาตพ่อแม่ของเขาก่อนหมานี่เวลามันเจอกันมันไม่ไปถามว่าพ่อแม่มันอยู่ที่ไหนไปขออนุญาตพ่อแม่มันก่อน พอมันเจอกันที่ไหนมันชอบกันที่นั่นมันก็เอากันที่นั่นเนีะพวกที่ไปเที่ยวตามบาร์ตามผับนี่ก็เหมือนกับพวกเดรัจฉานเนี่ไปเที่ยวตามบาร์ตามผับเจอคนไหนชอบคนไหนก็ควงกันไปเลยไม่ต้องไปขออนุญาตใครแล้วก็นอนกันเสร็จก็แยกกันทางเหมือนไปไปคนละทางะ นี่คือลักษณะของเดระฉานถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์เราก็ต้องรักษาศีลข้อสามไว้ไม่ประพฤติผิดประเพณีของมนุษย์กาเมสุมิชชาเวรมณีไม่ประพฤติผิดประเพณีทางการกาเมทางการทางการก็คือการร่วมหลับนอนกันตามทำตามประเพณีร่วมหลับนอนของมนุษย์ คือมีสามีเป็นสามีเป็นภรรยากันอยู่ด้วยกันรักกันดูแลกันมีครอบครัวกันสามีเดียวภรรยาเดียวอยู่ร่วมกันแล้วจะมีความสุขไปจนวันตายนี่คือความสุขของมนุษย์ต้องไม่ประพฤติผิดศีลข้อสามถ้าประพฤติผิดศีลข้อสามนี้ก็ไม่เป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉาน เดลาชานนี้เขาไม่มีการสู่ขอกันไม่มีขออนุญาตพ่อแม่กันแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดเดี๋ยวเขาเอาเบื่อเขาก็ไปแยกทางกันไป น, นี่คือวิธีป้องกันไม่ให้เราหลังจากที่ตายไปแล้วต้องไปไปอยู่ในอบาย อบายก็คือเนี่ยที่เดรัฉานนี่ยอยู่ถ้าเราทําแบบเดรัฉานตายไปเราก็เยเราก็จะไปเป็นเดรัฉานานิ่งพระพุเจ้าถึงให้เราถือศีลห้ากันในวันธรรมดาวันที่เราทํามาหากินหาความสุขทางร่างกายให้หาความสุขโดยที่ไม่ต้องไปประพฤติผิดศีล ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปไปพูติดประเวณีไม่ไปโกหกหลอกลวงไม่ไปดื่มสรายาเมาอันนี้เป็นศีลสำหรับวันธรรมดาแต่พอวันพระนี่ท่านบอกให้มาถือศีลแปดให้เพิ่มขึ้นอีกสามข้อเพื่อจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจกัน นอีกสามข้อนี้ก็เป็นสีลห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางร่างกายนั่นเองสินข้อสามก็เปลี่ยนจากกามีเป็นอร拉รมจริยาไปคือไม่ประพฤติผิดสินของพรหมจรรย์ผิดพรหมจรรย์ก็คือพรหมพรหมนี้เขาไม่เสพกลาง เขาไม่หาความสุขจากการใช้ร่างกายร่วมหลับนอนกันพรหมนี้เขาหาความสุขจากการนั่งสมาธิเราจะมาหัดหาความสุขทางใจกันเพื่อเราจะได้ไปเป็นพรหมเป็นเป็นพระอริยบุคคลเป็นเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้ากันต่อไปอันนี้คือศีลแปดที่เราต้องมาถือกันในวันพระ สินข้อสามก็เปลี่ยนจากกาเมมาเป็นอปปรมัจจริยาจากการไม่ประพฤติผิดศินไม่ประพฤติผิดประเพณีของมนุษย์ให้มาไม่ประพฤติผิดประเพณีของพรมประเพณีของพรหมก็คือไม่ร่วมหลับนอนกันไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันให้มาหาความสุขจากการภาวนาทําใจให้สงบกัน อันนี้คือเป้าหมายของศีลแปดให้เราได้มีเวลามานั่งสมาธิมาภาวนาทาใจให้สงบมาหาความสุขทางใจกันความสุขทางใจเกิดจากการทำใจให้สงบนี่แหละพอใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทางร่างกายความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นัตสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเห็นวันพระนี้เราจะลองมาหาความสุขทางใจกันอยุดหาความสุขทางร่างกายด้วยการร่วมหลับนอนกับคู่คร อ, องของเรากับสามีภรรยาของเราวันนี้ขอขอแยก ห้องกันหนึ่งคืนบอกสามีบอกภรรยาว่าวันนี้ขอแยกห้องกันไม่นอนห้องเดียวกันถ้าเป็นไปได้ก็แยกบ้านเลยคนนึงอยู่วัดคนหนึ่งอยู่นนยบ้านหรือถ้าจะไปอยู่วัดก็ได้วัดเขาก็จะแยกให้ที่วัดนี้เขาไม่ให้อสามีภรรยาอยู่ใกล้กันสามีอยู่มุมหนึ่งภรรยาอยู่มุมหนึ่งแยกห้องกันแยกตึกกัน เพื่อจะได้ไม่ไปแวบไปหาความสุขทางร่างกายกันเพื่อจะได้มาหาความสุขทางใจกันหาความสุขทางใจด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบสินข้อสารต้องเปลี่ยนไปจากกามเมเป็นอัปร ม, มัจจาเลียแล้วก็เพิ่มสินข้อหกข้อหกก็ไม่ให้หาความสุขจากกินการรับประทานอาหาร มากเกินไปรับประทานแค่เที่ยงวันก็พอถ้ารับประทานเพื่อเลี้ยงร่างกายนี่รับประทานเพียงครั้งสองครั้งก็พอไม่จาเป็นต้องรับประทานหลังเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานอาหารหลังเที่ยงวันมันก็จะมาลบกวนการทำใจให้สงบใจก็จะมัวกังวลว่าถึงเวลากินหรืยอยังถึงเวลากินหรืยอยัง แทนที่จะนั่งสมาธิพุทโธพุทโธก็ไปรอคิดถึงเรื่องของอาหารแล้วพอกินอาหารเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ง่วงนั่งสมาธิก็จะหลับก็เลยต้องถือสี่งก่อหกคือไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานได้แต่รับประทานเพื่อเลี้ยงร่างกายการเลี้ยงร่างกายนี้ แล้วประทานหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พออย่างพระวันนี้ถือทุ ด, ดงขวัตฉันมือเดียวฉันหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเป็นธบะ ต, ตอนเช้าเสร็จกลับมาที่วัดก็อฉันเลยเจ็ดโมงเช้ากลับมาถึงวัดถ้าไม่มีญาติโยมตามมาก็ฉันเลยถ้ามีญาติโยมตามมาเอาอาหารมาให้ก็รับต่อเจ็ดโมงกว่าแปดโมงก็ฉันกัน เสร็จแล้วก็ไม่ฉันอาหารอีกจนวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ถึงจะได้ฉันมันก็จะทํำให้ใจไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารถ้าเรารับประทานสามมื้อนี่เดี๋ยวกินอาหารเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มา ก, กังวลการอาหารเที่ยงละอาหารเที่ยงเสร็จเดี๋ยวก็ไป ก, กังวลการอาหารค่ํำน่ะอาหารเย็นแล้วบางคนก็ยังมีอาหารก่อนนอนนี่ นี่กินแบบหมูเลี้ยงหมูกินให้อิ่มหมีพีมันร่างกายของเราจะเป็นเหมือนหมูทุกวันนี้ไม่มีสวดทรงนะมีเนื้อมีมีไขมันเยอะบ้ว น, นนี่ถ้าเราอยากจะหาความสุขทางร่างกายเราทางใจเราต้องหยุดหาความสุขทางร่างกายสองอย่างนี้ไปด้วยกันไม่ได้ ไปพร้อมกันไม่ได้มันเป็นคนละเรื่องกันเหมือนจะกินน้ําร้อนก็อย่าไปอย่าไปออย่าไปกินทั้งน้ำร้อนน้ําเย็นอยากดอเอาที่น้ำร้อนน้ําเย็นมาปนกันเนะี่ยมันก็จะไม่ได้ทั้งสองอย่างน้ําร้อนก็ไม่ได้น้ําเย็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาฝึกหาความสุขทางใจต้องหยุดหาความสุขทางร่างกายแล้วก็เพิ่ม สีลข้อที่เจ็ดก็ห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เองไปดูไปฟังไปดูภาพยนตร์ดูละครไปฟังเพลงฟังคอนเสิร์ตไปร้องรำทำเพลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยการทำเท่าทำผมด้วยการทำหน้าทำตา โดยการใช้น้ํามันน้ําหอมด้วยการใส่เสื้อผ้าวิจิตพิสดาร น, นี่คือการหาความสุขทางร่างกายเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวซู้ความสุขทางใจไม่ได้เป็นความสุขแท้จริงเพราะเป็นความสุขที่จะไม่มีวันหมดความสุขทางร่างกายเดี๋ยวเกิดเครื่องสำอางหมดก็หมดแล้ว ถ้าไม่มีเงินไปซื้อเคื่องสัมามามาถ้าไม่มีเงินไปซื้อเสื้อผ้ามาใส่ใหม่ความสุขทางร่างกายก็จะหมดไปอันนี้ก็คือศี่งข้อ7คือให้หยุดการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายการดูการฟังการเที่ยว เ, ยเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงต่างๆ หรือไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้ออันนี้ตัดไปจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันถ้าเราไม่ถือศีลข้อเจ็ดข้อหกเนี่ยข้อสามเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลามาฝึกสมาธิมานั่งมาอยู่วัดกันเราก็เลยต้องถือศีลข้อเจ็ด ข้อหกข้อเจ็ดแล้วศีลข้อแปดอีกข้อหนึ่งก็คือไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอพักผ่อนร่างกายก็พอร่างกายนี้ต้องการนอนเพียงสีห้าชั่วโมงก็พอคืนหนึ่งถ้านอนบนฟูกหนาๆนอนบนเตียงสบายๆนี่เวลาร่างกายมันตื่นขึ้นมาจะไม่อยากรุกเพราะมันสบายมันจะนอนต่อ ร่างกายนอนนอนให้ร่างกายสี่ห้าชั่วโมงพอร่างกายตื่นขึ้นมาใจยังอยากจะนอนต่อก็เลยไม่ลุกเพราะมันสบายหาความสุขจากการนอนก็นอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงหรือสี่ห้าชั่วโมงก็เสียเวลาอันมีค่าไปแทนที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิก็นอนหาความสุขทางร่างกายไปแต่ถ้าเราถือศีล แปดข้อที่แปดนี้เราก็จะไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆไม่นอนบนเตียงที่สุขที่สบายนอนบนพื้นนอนกับพื้นเอาเสือ่อเอาผ้ามาปูนอนให้มันนอน น, นอนแบบไม่ไม่สบายแต่เวลาร่างกายเหนื่อยร่างกายต้องการพักผ่อนมันจะหลับไม่ไม่มีปัญหาว่านอนบนเตียงเมื่อนอนบนพื้น เวลาร่างกายมันได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายใจก็ไม่อยากจะนอนก็จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่านี่คือศีลแปดเป็นเครื่องมือที่จะมาะกําจัดกิจกรรมต่างๆที่จะทําให้เราไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาหาความสุขทางใจกัน ถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไม่มีอะไรต้องทำเลยอาหารเย็นก็ไม่ต้องกินแฟนก็ไม่ต้องไปนอนกับแฟนไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปร้องรำทำเพลงไม่ต้องไปงานต่างๆใครส่งบัตรเชิญมาก็ปฏิเสธเข้าไปงานแต่งงานงานอะไรก็ไม่ต้องไปเราจะได้มีเวลามาหาความสุขทางใจกัน ถ้าเราไม่ถือศีลแปดเดี๋ยวใครส่งบัตรเชิญมาก็ไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนชวนมาไปเที่ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวถึงเวลาดูละครเรื่องปโปรดก็ดูแล้วก็จะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจกันถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราจะมีเวลาถ้าเราไปอยู่วัดได้วัดก็ต้องเป็นวัดที่เขา ปฏิบัตินะไม่ใช่เป็นวัดที่ไม่ปฏิบัติถ้าเป็นวัดที่เขาสวดก็อย่าไปไปวัดที่สงบไปวัดที่สอนให้เรานั่งสมาธิกันวัดที่สงบถ้าวัดที่มีสาราสวดศพมีคนพลุกพาดนี่อย่าไปวัดที่มีงานวัดนี่อย่าไปบางวัดนี้เอามาหอรสดเข้าวัดเลยมีวิเกมีลำวงสมัยก่อน มีรีเกมีลาวงมีภา พ, พยนตร์ <Okay. S 1> วัดแทนที่จะเป็นตัวอย่างของชาวบ้านกับไปตามแบบเอาชาวบ้านเข้าวัดเพื่อจะได้ดึงชาวบ้านมาวัดกันก็คิดว่านี่เป็นวิธีดึงชาวบ้านเข้าวัดกันชาวบ้านไม่อยอมเข้าวัดเพราะไม่มีหนังดูก็เลยหาหนังมาฉายเดี mm ๋ hmm. ยวนี้ก็กลายเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไปแนละ้วเป็นตลาดนัดไปแนละ้ว mm hmm. พวชาวบ้านจะไม่มาวัดก็เลยเปิดตลาดนัดในวัดเป็นเลยวัดก็เลยไม่เป็นวัดแล้ววัดก็เลยกลายเป็นตลาดนัดไปก็เรียกว่าหวังดีแต่ประสงค์ร้ายเข้าใจอหเจ้าวาดหวังดีคณะกรรมกาการวัดหวังดีอยากจะให้ญาติโยมเข้าวัดเยอะๆก็เลยหาวิธีดึงญาติโยมเข้าวัดกันจัดงานวัดในวัดเลย เอาหนังเข้าวัดเลยเอาลําวงเข้าวัดเอาลิเกเข้าวัดเอาตลาดนัดเข้าวัดญาติโยมก็มากันเยอะแต่ไม่ได้มาหาความสงบไม่ได้มาหาความสุขทางใจกันก็เหมือนกับไปชอปปิ้งที่ที่ตลาดนัดดีๆนี่ไปไปดูหนังที่โร ง, งหนังดีๆนี่วัดก็เลยไม่กลายเป็นบ้านไปกลายเป็นตลาดนัดไปกลายเป็นศูนย์การค้าไป กลายเป็นแหล่งบัเทิงไปอย่าไปอยู่วัดแบบนั้นถ้าอยากจะไปหาความสงบต้องไปหาวัดที่เขาไม่มีอากิจกรรมอะไรนอกจากนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ไม่ให้มาจับเข่าคุยกันไม่ให้มาจับกลุ่มคุยกันให้แยกกันไปอยู่ที่ปฏิบัติของตนบางวัด น, นี้เขาแม้แต การมาร่วมกันเพื่อสวดมนต์ก็ไม่มีให้สวดกันเองให้อยู่คนเดียวให้ปรีกวิเวกการจะหาความสุขทางใจนี้ต้องอยู่คนเดียวถึงจะดีกว่าดีกว่ามาจับกลุ่มกันมานั่งสวดมนต์กันนั่งสมาธิรวมกันอันนี้เดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวเจอกันก็อดคุยกันไม่ได้หรืออดที่จะมีความรู้สึกอะไรต่อกันไม่ได้ เห็นหน้าเห็นตากันบางทีก็หม่นใส้กันมั่งเขมนกันขึ้นมามั่งยันอย่าไปเจอกันดีกว่าวัดที่เขาเข่งกับการปฏิบัติจริงๆเขาจะไม่มีการมาทําวัดเช้าวัดเย็นนให้ทํากันเองอยากจะทําวัดเช้าก็ทําที่พักที่กุฏินั่นแหละสวดมนต์ไปแต่ไม่ออกเสียงดังเดี๋ยวไปลบกวอนชาวบ้านเขาลบกวนคนอื่น วิธีที่ทําวัดที่ถูกต้องก็คือเนี่ยละ่ะนั่งสมาธินี่ละคือการทําวัดกิ จ, จวัตรไงคําว่าวัดก็คือกิ จ, จวัตรกิ จ, จวัตรของผู้ที่หาความสุขทางใจก็มีอยู่สองอย่างเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมถ้าฟังธรรมนี้อาจจะต้องมารวมกันเวลาฟังธรรมมารวมกันแต่จะมาแบบสงบไม่มาแบบคุยกันทางคนต่าง ม, มา ถึงที่นั่งก็นั่งรอให้อาจารย์มาพออาจารย์เทศก็นั่งใจตั้งใจฟังกันพอเทศเสร็จพอปิดประชุมก็แยกทางกันไปกลับไปที่พักเพื่อไปทํากิจวัตรไปทําวัดคือเดินจงกรมนั่งสมาธิการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นวิธีที่จะทําสร้างความสุขทางใจ เดินกับนั่งไม่เหมือนกับชาวบ้านเดินกับนั่งกันชาวบ้านเดินกับนั่งเขาเดินไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้เขานั่งเขาก็ยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ถ้านั่งแล้วปล่อยให้มันคิดเดินแล้วปล่อยให้มันคิดใจจะไม่สงบเฉนั้นเวลาที่คนปฏิบัติเขาปฏิบัติกันเขาไม่ได้เดินแบบชาวบ้านเดินไม่ได้นั่งแบบชาวบ้านนั่งกันเขาเดินแบบพระปฏิบัติ นั่งแบบพระปฏิบัติก็คือเดินแบบมีสติมีสติคอยกํากับใจควบคุมใจไม่ปล่อยให้ใจคิดด้วยเปลื่อยควบคุมบังคับให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวเจ้าเวลาเดินก็ให้อยู่กับการเดินให้ดูว่ากําลังก้าวเท้าเท้าไหนอยู่เท้าซ้ายหรือเท้าวขวาเท้าซ้ายกว่าซ้ายเท้าวขวากว่าขวาไป อยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้อย่าไปคิดถึงแฟนอย่าไปคิดถึงลูก <đ. S 1> อย่าไปคิดถึงบ้านอย่าไปคิดถึงเงินทอง <đ. S 1> อย่าไปคิดถึงอะไรทั้งหมด <đ. S 1> ให้คิดอยู่กับการเดินอย่างเดียว <cano> ตอนนี้กำลังก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายไปก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปไม่ว่าก็ได้ขอให้ร um, ู้ว่ากำลังเดินกำลังก้าวกาลัง <compelled> <c oughs> ก้าวแล้ววางเท้าก้าววางแล้วก็วางให้รู้แค่นี้เพื่อใจจะได้ว่างใจจะได้สงบอา่การเดินนี้ยังทำให้ใจไม่สงบได้เต็มที่สงบได้ครึ่งหนึ่งคือไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ยังไม่รวมเป็นหนึ่งถ้าต้องการให้จิตสงบเต็มที่นี้จิตต้องรวมเป็นหนึ่งจิตต้องถอนออกจากร่างกาย ถอนออกจากตาหูจมูกลิ้นกายวิธีที่จะทําให้จิตรวมถอนออกจากตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็ใช้สติดึงใจเข้าไปให้รวมเป็นหนึ่งดึงใจออกจากตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการหลับตาด้วยการไม่สนใจกับเสียงที่ได้ยินไม่สนใจกับอะไรให้อยู่กับ อารมณ์ที่ที่เป็นอารมณ์ของสติอารมณ์ของสตินี่ก็ใช้ได้สองอย่างเวลานั่งจะใช้พุทธโธก็ได้บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือจะใช้ดูการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกถ้าสัมผัสมลมได้ก็ดูตรงจุดที่สัมผัสเ จุดสัมผัสของลมก็คือตอนที่มันเข้ามาที่ร่างกายกับตอนที่มันออกไปจากร่างกายก็อยู่แถวบริเวณปลายจมูกเลลมเข้าตรงนั้นออกตรงนั้นถ้าเราสัมผัสกับลมได้ก็เฝ้าดูตรงนั้นก็ได้เป็นเหมือนประตูประตูเข้าออกของลมให้เฝ้าดูเฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปควบคุมลมไม่ต้องไปสูดหายใจแรงๆลึกๆ ไม่ต้องอะไรเคยหายใจอย่างไรอย่างตอนนี้มันหายใจอย่างไรก็ปล่อยมันหายใจอย่างนั้นไม่ต้องไปบังคับมันถ้าไปบังคับลมใจก็ไม่ปล่อยร่างกายไม่ปล่อยลมแต่ถ้าดูเฉยๆนี่ใจจะปล่อยปล่อยร่างกายปล่อยลมถ้าไม่ปล่อยใจจะไปรวมไม่ได้รวมเป็นหนึ่งไม่ได้ถ้าใจไม่รวมเป็นหนึ่งใจจะไม่เต็มที่จะไม่มีไม่ได้พบกับความสุขเต็มร้อย การเดินจงกรมนี่ได้ความสุข 50% เพราะใจยังต้องควบคุมร่างกายอยู่ยังต้องร่างกายเป็นเหมือนรถเนี่ยคนขับยังต้องขับรถอยู่เวลาที่รถยังวิ่งอยู่แต่ถ้าเวลารถจอดแล้วนี่คนขับก็จะนอนก็นอนได้เลยสมมติเวลาเราขับรถแล้วง่วงเราทำยังไงเราก็จอดรถข้างทางหยุดรถก่อนแล้วก็นอนบนตรงนั้นอนะ่ะไม่ต้องไปควบคุมรถละ ถ้าเวลารถวิ่งนี้เรานอนไม่ได้นอนแล้วเดี๋ยวรถมันก็จะไปวิ่งชนรถคันอื่นฉันใดใจของเราถ้าต้องการที่จะปล่อยร่างกายถอนออกจากร่างกายเราก็ต้องนั่งนิ่งนิ่งนั่งเฉยเฉยแล้วก็ใช้สติดูลมหายใจเข้าออกหรือถ้าเราดูลมไม่เป็นใช้พุโทโธก็ได้ท่องบริกรรม ไปไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงพุทโธพุทโธพุทโธไปข้อสำคัญก็คือไม่ให้ไปคิดถึงอะไรแล้วถ้านั่งไปแล้วมีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจถ้ามีภาพปรากฏขึ้นมามีเสียงปรากฏขึ้นมาข้างในมีอาการรู้สึกอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจโดยเด็ดขาดให้สนใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียว หรือสนใจอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวลมจะยาวลมจะสั้นก็ปล่อยมันยาวไปปล่อยมันสั้นไปลมจะยาวจะละเอียดก็ปล่อยมันไปให้ดูเฉยๆลมหายไปก็ปล่อยมันหายไปไม่ต้องไปตกใจกลัวให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ลมหายไปแล้วให้ให้รู้อยู่กับผู้รู้ให้รู้ว่ากำลังรู้อยู่ถ้าถึงตอนนั้นนะเดี๋ยวมันจะรวม เ น, นเวลาที่ลมใกล้จะหายไปเนี่ยเป็นเวลาที่จิตจะรวมถ้าเราไปตกใจกลัวขึ้นมาใจก็จะถอยออกมาถอยกลับมาหาร่างกายใจจะไม่ปล่อยร่างกายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตกใจถ้าเราดูลมแล้วรู้สึกว่าลมหายไปก็ให้รู้ว่ามันหายไปรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ไป ถ้าเรารู้เฉยๆประครับประครองด้วยสติไม่ให้ไปตื่นเต้นตกใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเดี๋ยวใจมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปเวลาใจรวมเนี่ยมันจะมีความสุขมากมันจะเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนตุกอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยังสู้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ได้ได้แต่งงานกับดาราภาพยนตร์รางงามจั ก, กรวาลก็สู้ ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้ถ้าใครได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วต่อไปก็จะสามารถเลิกหาความสุขทางร่างกายได้แทนที่จะเอาเวลาไปหาความสุขทางร่างกายก็เปลี่ยนเอามาหาความสุขทางใจได้ต่อไปแทนที่จะไปเที่ยวก็มานั่งสมาธิแทนที่จะไปช็อปปิ้งก็มานั่งสมาธิแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็มานั่งสมาธิ แทนที่จะไปกินเลี้ยงก็มานั่งสมาธิกันเพราะนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่าที่ดีกว่าและเป็นความสุขที่ถาวรต่อไปร่างกายแก่เจ็บตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรยังหาความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่ร่างกายไม่ได้แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่เราติดตัวไปได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบนี้เวลาร่างกายตายไปเราส่วนใหญ่จะเอาความทุกข์ไปกันเพราะเวลาใกล้จะตายนี้มันทุกข์มากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกข์มากแต่ถ้าเราทำใจให้สงบให้มีความสุขได้เวลาตาย เราก็ไปแบบสงบไปแบบสบายไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ถ้าไปแบบหิวตายหิวอยากจะหาความสุขใหม่ตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะว่าร่างกายเก่าไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็เลยต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับเราใช้อะไรแล้วพอมันเสียไปเราก็ต้องไปซื้อมาใหม่ ถ้าเราใช้รถอยู่เนี้ยถ้าเกิดรถมันเสียไปทำไงซื้อใหม่ถ้ามีเงินก็ซื้อใหม่เพราะเรายัางอยากจะใช้รถอยู่อยนาใดถ้าเรายังอยากจะใช้ร่างกายหาความสุขอยู่ยังอยากหาความสุขทางร่างกายอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่แล้วก็ต้องกลับมาทุกข์กับร่างกายอันใหม่ พราการมีร่างกายนี้มันมีความทุกข์ตามมาด้วยทุกทุกจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยเนี่ยทุกวันนี้เล่นนนกันเพื่ออะไร<ๆ>เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันนะถึงแม้มีเงินก็ยังต้องไปซื้ออาหารมามันก็เป็นทุกข์การไปซื้ออาหารก็เป็นทุกข์การทํากับข้าวก็เป็นทุกข์การล้างถ้วยล้างชามก็เป็นทุกข์กินแล้วก็ต้องล้างถ้วยล้างชามอีกเนี่ย การกระทําต่างๆนี่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะระหว่างทํากับไม่ทํามันไหนดีกว่าคนจึงขี้เกียจกันเดี๋ยวนี้สั่งกันทางโทรศัพท์สั่งทางมือถื อ, อ, อกดเบอร์นี้สั่งอาหารเดี๋ยวก็มาส่งถึงที่เลยหล้วก็ต้องทุกกับการไปหาเงินมาใช้ซื้ออาหารนี่นี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิด นอกจากนั้นยังต้องมาทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายแล้วต้องมาทุกกับคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้เดี๋ยวคนนั้นมายืมเงินแล้วไม่คืนให้ก็ทุกอีกเขายืมเราเงินเราไม่ให้ยืมเขาก็โดนเขาด่าก็ทุกอีกเเวลาคนมายืมเงินเนี่ยมันทุกทั้งสองเดงเลยถ้าไม่ให้เขายืมก็ถูกเขาดา่าถ้าให้เขายืมเขาก็ไม่คืนทำยังไงดี จะยอมทุกแบบไหนดีทุกแบบเสียเงินกับทุกไม่แบบเสียเงินจะเอาอย่างไงดีคนฉลาดก็ยอมทุ ก, กบแบบไม่เสียเงินคือไม่ให้มันยืมอมันจะด่าก็ปล่อยมันด่าไปแต่เงินยังอยู่กับเราอยู่ดีกว่าให้มันยืมแล้วมาทุกเนี่ยมันนั่งรออยู่นี่เมื่อไหร่มันจะมาคืนเราเจอหน้าทีไรมันก็หลอกเราโกหกเราไปเรื่อยเดี๋ยววัาทิตหนะ้าเดี๋ยวเดืนหนะ้า จำไว้นะต่อไปถ้าใครมาขอยืมเงินเอาวิธีทุกแบบไม่เสียเงินดีกว่าคือให้มันดา่าว่าไม่มีน้ําใจไม่รักเพื่อนไม่รักพี่รักน้องปล่อยมันด่าไปแต่อย่างน้อยเรามีเงินอยู่กับเงินไม่เสียดีกว่าเสียเงินแล้วถูกมันหลอกแล้วต้องมาทุกข์กับการหลอกลวงของมันเจอมันทลายก็ผัดไปเรื่อยมีเรื่องงั้นมีปัญหานูน่นปัญหานี้ จำไว้ในะเรื่องเงินทองถ้าไม่ถ้าอยากจะทุกข์ก็ทุกข์แบบฉลาดอย่าไปทุกข์แบบโง่ทุกข์แบบฉลาดก็อย่าไปให้เขายืมเขาจะด่าเราก็ปล่อยก็ด่าไปเขาจะเลิกคบกับเราก็ปล่อยก็เลิกไปดีจะได้ไม่มีคนมายืมเงินคอยมายืมเงินถ้าให้มันยืมเงินเดี๋ยวมันก็มายืมด้วยถ้าคราวนี้ยืมแล้วมันมาคืนเดี๋ยวคราวหน้ามันจะมายืมมากกว่าเดิมเอง ครั้งแรกมันอาจจะอ่อยเยื่อก่อนยืมน้อยๆก่อนแล้วก็เอามาคืนพอมีเครดิตแล้วทีนี้คราวหน้าก็ยืมเยอะๆเลยทีนี้ยืมเยอะๆก็ไม่คืนแล้วนมันฉลาดนะพวกนี้ที่แรกๆนี้สร้างเครดิตก่อนยืมสองสามครัง้งแรกนี้ยืมปั๊บเอามาคืนปดินไม่ดีเอาดอกมาให้ด้วยอติดใจเลยทีนี้คราวหน้ามายืม พูดถึงเรื่องของความทุกข์ที่มาเกิดต้างมาเจอกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยคนที่ชอบมายืมเงินเราเนี่ยก็ทําสูญเสียคนที่เรารักไปคนที่เราชอบเดี๋ยวบางทีเขาก็ตายจากเราไปหรือบางทีเขาต้องโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเวลาแยกทางกันจากกันก็เสียใจเสียอกเสียใจคิดถึงกัน นี่คือทุกข์ที่เกิดจากการมาเกิดนะเดี๋ยวเวลาแก่ก็ทุกข์จะเดินจะไปทําอะไรที่ขยับตัวที่เจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้จะลุกจะอะไรแต่ละครั้งนี่ต้องตั้งหลักก่อนแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆต้องคอยกินยาต้องไปคอยหาหมอแล้วรักษาไงเดี๋ยวในที่สุดก็ตายไปงั้นยา อย่ามาเกิดดีกว่าถ้าไม่มาเกิดก็ต้องไม่ใช้ร่างกายไม่ไม่หาความสุขทางร่างกายต้องหาความสุขทางใจกันเนี่ยนี่คือคำตอบของพระพุทธเจ้าในการแก้ปัญหาของพวกเราของของสัตว์โลกสัตว์โลกทุกตัวนี่มีปัญหาเหมือนกันคือหาความสุขทางร่างกายทุกคนเลยเฉั้นต้องเลิกหาความสุขทางร่างกาย แล้วเราจะได้ไม่ต้องมามีร่างกายดั้นเราต้องพยายามมีวันต้องพยายามหาความสุขทางใจในวันพระกันอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างฮะวันพระนี่เป็นวันตัวอย่างเข้าใจไหยเหมือนเวลาเราไปซื้อของนี่บางทีเขาให้เราชิมก่อนว่าของนี้อร่อยไหมถ้าอร่อยเราจะได้สั่งซื้อได้อเต็มอเต็มที่เลย ถ้าเรายังไม่ได้ชิมเราไม่แน่ใจอร่อยหรือเปล่าถ้าชิมแล้วก็จะรู้ถ้าอร่อยก็สั่งเยอะแยะเลยถ้าไม่อร่อยก็เลิกเลยไม่เอาเลยในวันพักก็เป็นเหมือนวันมาชิมความสุขทางใจดูมาหัดชิมมาหัด ส, สร้างความสุขทางใจแล้วพอได้สัมผัสกับความสุขทางใจแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดี ถ้าสามารถปฏิบัตินั่งสมาธิตอนจิตรวมได้เป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้แล้วจะได้สัมผัสกับความสุขทางใจที่เลิศ ก, กว่าความสุขทั้งปวงแล้วจะทำให้เราติดใจขอให้มันสงบเพียงครั้งเดียวขอให้ได้ชิมเพียงครั้งเดียวเถิดรับรองได้ว่าต่อไปจ ะ, จะเพิ่มวันทะจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวันเป็นสามวั น, เ ป, น, วนเป็นสี่วันต่อไปก็เป็นวันพระทุกวันเลย พอมาบวชเป็นพระก็เป็นวันพระทุกวันบวชเป็นชีก็เป็นพระทุกวันถือศีลแปลดไปตลอดชีวิตเลิกหาความสุขทางร่างกายเอาเวลามาหาความสุขทางใจแล้วต่อไปจะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรไม่เดือดร้อนจะแก่จะเจ็บจะตายนี่ยิดดีใจซะอีกจะได้ไม่ต้องมาเลี้ย ง, ยงมัน ร่างกายนี้มันเหมือนกองภูเขาที่เราแบกกันอยู่เป็นภาระต้องคอยเลี้ยงดูมันต้องคอยรักษามันเลี้ยงดูยังไง ร, รักษายัางไง<ม>เดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดียังไม่ต้องไปเลี้ยงมันก็ตายเหมือนกันปล่อยมันตายดีกว่าแต่ถ้ายังเลี้ยงมันได้ก็เลี้ยงไปถ้ามันเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็ไม่ไม่ต้องไปกังวล เช่นเกิดอดอยากขาดแคลนไม่มีปัญญาที่จะไปหาอาหารมากินได้ก็ปล่อยมันอดตายไปใจไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสุขแล้วจะไม่ทุกข์กับร่างกายจะไม่ทุกข์กับความอดอยาขาดแคลนของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกายแล้วจะไม่กลับมามีร่างกายอยีก เพราะมันเข็ดละเห็นความทุกข์ของร่างกายแล้วเรามีเราสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้ร่างกายเรื่องอะไรเราจะไปหาความสุขทางร่างกายที่มีความทุกข์แถม้มาอีกอ น, นี่คือการเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเริ่มกันที่วันพระเพราะว่าเรายัางมีภารกิจมีภาระที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรา เลีงปากเลี้งท้องครอบครัวของเรามันยังไม่สามารถที่จะหยุดได้ทันทีก็ลองมาทําอาทิตย์ละวันก่อนเรามาหาความสุขทางใจกันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนถ้าได้พบกับความสุขทางใจแล้วนี้จะสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยอยากจะหยุดทํางานก็ได้หยุดหาความสุขทางร่างกายก็ได้ แล้วก็มาหาความสุขทางใจดีกว่าแล้วต่อไปก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายพวกเรานี่เกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่รู้กี่ล้านครั้งละน่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน ถ้ายังหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็ต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าเลิกหาความสุขทางร่างกายได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปพระพุทธเจ้าท่านเลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วท่านจงไม่ต้องกลับมาเกิดท่านก็อยู่ที่นิพพานนิพพานนี้เป็นที่อยู่ของผู้ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขนิพพานนี้มีความสุขตลอดเวลา ภาษาวกผู้ที่ได้ฟังคาคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามได้ก็ไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้าพวกเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะไปอยู่ที่นิพพานกับพระพุทธเจ้าภาษาวกของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีแต่พระไม่ใช่มีแต่พระอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่ผู้ชายอย่างเดียวมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิง มีทั้งนักบวชมีทั้งผู้ที่ไม่ได้บวชเพราะฉะนั้นเราอย่ามาคิดว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราไปนิพพานไม่ได้เราอย่ามาคิดว่าเราเป็นค า, ารวาสแล้วเราไปนิพพานไม่ได้การจะไปนิพพานนี้อยู่ที่การทำใจให้สงบนี้เท่านั้นะถ้ามีสติกากับใจควบคุมใจรักษาใจให้มันสงบแล้วก็มีปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ไปหาความสุขทางร่างกาย ถ้านี้มันก็จะทำให้เราไปถึงพระนิพพานกันได้นะรีบทำกันนะเพราะเวลาเราเหลือน้อยอาทิตย์หน้าก็จะหมดไปเจ็ดวันมันเวลาไม่หยุดนะเหมือนเหมือนน้ำที่มันไหลออกจากถังน้ำนี่มันไหลไปไ้เรื่อย เ, อยเดี๋ยวถ้าไม่ปิดก๊อกเดี๋ยวน้ำในถังก็หมด ชีวิตเรานี่เวลาของชีวิตเรานี่เราปิดก๊อกไม่ได้เราจะบอกว่าตอนนี้หยุดก่อนให้อยู่แค่อายุสี่สิบไม่ได้นะมันไปเรื่อยนะจากสี่สิบก็ไปสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดก็ไปส<ม>ี่สิบสองเดี๋ยวเผลอแป๊บเดียวอ่ะแปดสิบแล้ว<ม>ดีไม่ดีถังแตกไม่ถึงแปดสิบตายไปซะก่อนน้ำหมดซะแล้วถ<ม>ังรั่วเ<ม>จออุบัติเหตุ เจอโครคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดฝันอันนี้ก็ต้องคิดไว้ว่าอย่าประมาทรีบรีบทำเสียตอนนี้มีเวลาวันพระอย่าไปหาความสุขทางร่างกายกันอย่าไปเที่ยวกันมาหาความสุขทางใจกันถ้าอยู่บ้านได้ทําที่บ้านได้ก็ทําที่บ้านก็ดีไม่ต้องมาที่วัดถ้าทําที่บ้านไม่ได้เพราะคนวุ่นวายก็ต้องไปที่วัด ด้วไปหาที่ที่สงบที่เหมือนคําว่าวัดนี้ไม่ใช่เป็นวัดแบบที่เราคิดกันคําว่าวัดนี้คือที่สงบไปอยู่ในป่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้ในป่าเนี่ยวัดของพระพุทธเจ้าก็ป่านี้เองใต้โคนไม้นั่งใต้โคนมานั่นแหละคือวัดของผู้ที่หาความสุขทางใจวัดของ ไม่ได้หมายถึงต้องมีโบสถ์มีเจดีมีศาลามีกุฏิมีพระมีเนมบางทีวัดแบบนั้นกับไม่ได้เป็นวัดเพราะเป็นศูนย์การค้าเป็นตลาดนัดเป็นหล่งบันเทิงเราต้องดูคาว่าวัดนี่ก็คือที่สงบที่เหมาะกับการสร้างความสุขทางใจที่ไหนสงบแล้วเราสามารถสร้างความสุขทางใจได้ที่นั่นแหละคือวัดของเราให้ไปหาที่อย่างนั้นอยู่กัน เรียกว่าไปปรีกวิเวกเราต้องอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดไม่มีแสงสีเสียงไม่มีอะไรมาคอยล่อใจนึงใจให้กลับไปหาความสุขทางร่างกายพยายามทำกันถ้ามีเวลามากกว่าหนึ่งวันก็ยิ่งดีมีวันหยุดก็อย่าไปเที่ยวกันวันหยุดทำงานวันหยุดพิเศษก็ไปอยู่วัดไปไปปฏิบัติกันไปสร้างความสุขทางใจกัน ถ้าทำมากทำบ่อยมันจะได้ผลเร็วถ้านานๆทำทีนี้มันจะได้ผลช้าแลวอาจจะไม่ได้ผลเลยมันต้องทำให้มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคพอเราได้ผลแล้วเราจะมีกำลังใจตอนใหม่ๆนี้เราต้องบังคับมันเพราะมันไม่มันยังไม่รู้ผลว่าเป็นยังไงมันยังอยากกลับไปหาความสุขทางร่างกายอยู่ เราต้องบังคับมันต้องควบคุมมันถ้าไม่ไม่ไม่บังคับเดี๋ยวมันปั๊บเดี๋ยวเผลมันกลับไปดูหนังละกลับไปฟังเพลงละต้องบังคับว่าวันนี้มันพระห้ามดูหนังห้ามฟังเพลงห้ามนอนบนเตียงพวกน้นหนาห้ามนอนกับแฟนห้ามกินอาหารเย็นต้องบังคับมันถ้าไม่บังคับมัน เผลอแป๊บเดียวไปนั่งกินหน้าตาเฉยเลยเอานั่งดูทีวีหน้าตาเฉยเลยวิธีหนึ่งก็คืออย่าไปอยู่ใกล้ของพวกนี้อยู่บ้านมันใกล้ทีวีใกล้ตู้เย็นอใกล้หมอใกล้กระทะเดี๋ยวเอลอแป๊บเดียวไปนั่งกินเถอ ะ, ะนะถึงน้องไปอยู่วัดไปอยู่ที่มันไม่มีเนี่ยบนเขาเนี่ยไม่มีของพวกนี้ คนที่มาอยู่บนเขาพระมาอยู่บนเขากันนี่เขาจะได้หนีที่มันลอ่อมันล่อใจดึงใจหลอกใจหาที่แบบนี้กันนะแล้วเป็นการทำใจให้สงบก็จะมีเวลาแล้วก็จะทำได้ถ้าไปทำอยู่ที่ใกล้ๆกับตู้เย็นตู้กับข้าวนี่เดี๋ยวใจมันสัน่นพอมันคิดถึงมาใจสั่นขึ้นมาหมีไม้สัน่นไปหมด นี่คือเรื่องของวันพระที่พระเจ้ากำหนดไว้เพื่อให้เรามาหาวิธีหาความสุขแบบใหม่กันเลิกหาความสุขทางร่างกายกันเพราะร่างกายต่อไปเราพึ่งมันไม่ได้มันจะหาความสุขทางร่างกายกันไม่ได้แต่ถ้าเราหาความสุขทางใจได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจร่างกายตายกันแ้นนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรกับเวลา ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวะเรวหาปุราปะเลปุรนเติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกะปติอิจิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุรนตุสังกะปาจันโทปันนาระโสยะถามณิโชติ ระโสยะถาสัพพิตโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอธิวาตนาสีฤทธานิจังุทธาปจายโนยตาโรธรรมาวทาติอายุวันโอสุขัง าอาลัมตัวบุหรี่ผิดศีลไหมครับอ๋อถ้าตัวบุหรี่ก็อย่ามาอยู่วัดเลยไม่ผิดศีลแต่มันมันเพื่อขัดกับการมาอยู่วัดะจะได้เลิกเอการอยู่วัดนี่เพื่อมาเลิกสิ่งเหล่านี้ถ้าจะสูบบุหรี่ก็อย่าเพิ่งมาอยู่วัดดีกว่าจะได้ยินนะ เพิงก็เลยกินเล้ามาอยู่วัดไม่ได้หรอกต้องไปอยู่ที่บาร์ที่ผับจะดีกว่าวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ทาง Facebook สูงสุด410ค่ะทาง y o ย t u b บ122ค่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้ทาง Facebook เหลือ266ค่ ะ, ะทาง YouTube เหลือ111ค่ะ พวกที่อ <labs> ยู <grammar plains> ่ต่อคงอยากจะทำคำทามนั่นนุ้พวกที่ไปก็แสดงว่าฟังฟังฟังธรรมพอละวจะต้องไปทําอย่างอื่นต่อที่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อกี้ฟังธรรมก็เยอะอย่ยวนี้หายไปครึ่งหนึ่งแล้วกลับไปละพวกอยู่ต่อก็ยังไม่อิ่มต้องฟังต่อ มีต่างชาติเข้ามาไมวะไม่ีค่ะไม่มีมีคําถามไหมเยอค่ะเอาเลยคถามต่อคำถามจากคุณธีรชาติค่ะการทวนกระแสะกิเลสถือเป็นการทําตามธรรมชาติหรือเปล่าครับ ม, มันไม่ได้เรื่องของตามธรมมธรมชาติไม่ธรรมชาติน่ะเป็นกันลล ak ขาใจใจเราเป็นไม่สบาย เชื้อโลคของใจก็คือกิเลสถ้าอยากจะรักษาให้ใจให้หายจากความไม่สบายใจต่างๆก็ต้องฆากิเลสให้ตายเหือนกิเลสอย่าว่าธรรมชาติหรือไม่ธรรมชาตินี่มันเสียงกันปากเปรี้ยปากฉีกได้เพราะกิเลสมันก็บอกฉันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันคนที่เกิดมาที่ทำตามทาทุกอย่างนี้ก็คิดว่าทำตามธรรมชาติกันใช่ไมมีเมียมีผัวกันก็คิดว่าเป็นการทาตามธรรมชาติกัน คนที่ไม่มีเมียมีผัวกับกลายเป็นคนไม่ไม่เป็นธรรมชาติไปมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองมุมไหนถ้ามองมุมของกิเลสมันก็ต้องตามกิเลสถึงจะเป็นธรรมชาติถ้ามองตามมุมธรรมมันก็ต้องตามทําตามธรรมมันจะเป็นธรรมชาติถ้าตามธรรมทำก็คือไม่ทําตามกิเลสไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกนี่นเรียกว่าธรรมชาติของธรรม ถ้าธรรมชาติของกิเลสก็ต้องมีผัวมีเมียใช่ไหคนเมื่อกี้จะมาอยู่วัดยังอยากจะสูบบุหรี่การสูบบุหรี่ก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติของกิเลสเนี่ย ม, มาอยู่วัดก็เขาก็ไม่ให้สูบบุหรี่อบพ่อสาขาหลวพ่อหนูนั่งสมาธิแล้วตอนที่หนูนั่นงหลวพ่อมันมีความรู้สึกใจมัน จะขาด ห, หรืออาการตื่นตระกระช่างคือมันบอกไม่ถูกคือมันปรีกมั น, น, นมกินานนัคือกิเลสใช่ไหมคะแันไม่เป็นธรรมชาติอย่างกิเลสมันชอบสบายชอบทำอะไรตามที่มันอยากจะทำ ตอนมันไม่ได้ทํามันก็เลยอึดอัดขึ้นมามันเลยไม่เป็นธรรมชาติขึ้นมาแต่สภาวะหนูมีสติเพราะตอนที่หนูหลับจานี่หนูก็รู้ว่ากิเลสใช่ไหมคะตัวนั้นแต่หนูพยายามฝืนมไนอย่าไปสนใจมันแล้วหนูหนูคิดอย่างนี้ว่าหนูพูดโทแล้วหนูก็คิดว่าอันนี้หนูไม่รู้หนูคิดถึงตลาดแล้วเจ้าค่ะหนูคิดว่าเนี่ยตอนที่เรานั่งแล้วรู้สึกใจจะขาดจะอึดอัดแทบตายไม่อยากจะนั่งหนูก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งหนูต้องทิ้งร่างกาย หนูตัวนี้ออกไปจากจิตเนี้ยมันคงจะทรมานแบบนี้ใช่ไหมคะนั่นแหละเพราะมันจะทําอะไรไม่ได้เหมือนตอนที่เรานั่งนะอืแล้วถ้าเราพุทโธต่อจนกระทั่งกิเลสมันมันยอมแพ้มันก็จะหายอุดหายทรมานแต่แสดงว่าที่หนูคิดแบบนั้นถูกใช่ไหมจ๊ะถูกก็และ้วกิเลสมันจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข พอมันไม่ได้ใช้มันก็จะอึดอัดขึ้นมาพอนั่งสมาธิอึดอัดพอนั่งดูหนังหายอึดอัดมันก็นั่งเหมือนกันเห็นไหมนั่นแหละถ้านั้นแหละคงถามจาคุณประหยัดค่ะ <c oughs> ฟังประวัติปฏิปทาหลวงปู่มั่นแล้วสงสัยว่าพระธุดงค์ว่าพระธุดงค์ท่านบําเพ็ญเพียรในป่าท่านฉันน้ําและส่งน้ําอย่างไรครับอาท่านก็มีน้ําในลําธารด้วย การหาน้ําที่มีตามแหล่งในป่าก็จะมีแหล่งน้ํามีแอ่งน้ํามีลาําธารแต่ต้องเวลาตักน้ําต้องมีที่กรองน้ําเพราะว่าในแหล่งน้ํานั้นอาจจะมีตัวสัตว์เช่นพวกลูกน้ําเวลาจะใช้น้ํานี้พระก็จะมีที่กรองพิเศษเวลาตักขึ้นมาจะไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาจะเอาตักแต่น้ําขึ้นมาคําถามจากคุณกิตสนาค่ะ เมื่อเรานั่งสมาธิจิตรวมนิ่งสงบเราสามารถคิจารนาทำข้อใดข้อหนึ่งต่อไปได้เลยไหมคะยังยังไม่ได้เวลาจิตสงบนี่ต้องให้มันสงบนานๆอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกับคนนอนหลับอย่าเพิ่งไปปลุกปล่อยให้เขานอนนานๆเราให้เขาตื่นขึ้นมาก่อนพอเขาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยเอาไปเ้าไปทำงานขณะที่นอนนี่ต้องการพักผ่อน ขณะนั่งสมาธิก็ต้องการพักจิตต้องการสร้างกําลังให้กับจิตถ้าจิตสงบปักไปสั่งให้จิตพิจารณาทํางานมันก็เลยไม่สงบมันก็เลยไม่มีกําลังดังนั้นจะพิจารณาต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนเวลาไหนก็พิจารณาได้แต่เวลานั่งสมาธิเวลาเดียวเท่านั้นที่ไม่ให้พิจารณาออกจากสมาธิแล้วมาเดินจงกรมก็พิจารณาได้เลยพิจารณาร่างกาย มมีอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟเป็นซากศพพิจารณาได้ตลอดเวลาเลยยกเว้นเวลาที่นั่งสมาธิเท่านั้นยกเว้นที่เวลาเราจะฝึกสติหยุดความคิดเราจะไม่พิจารณางนั้นก่อนที่เราจะพิจารณาได้เราต้องทำสมาธิให้เป็นก่อนต้องหยุดความคิดให้เป็นก่อนถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เวลาเราพิจารณาเราจะควบคุมความคิดไม่ได้ คิดไปทางธรรมะได้สองคำเดียวกิเลสมันลากไปนะฉะนั้นต้องฝึกหยุดความคิดทําใจให้สงบควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาจิตสงบจะได้มีกําลังพอออกจากความสงบมามีสติควบคุ ม, ค ว, ม ค, ความคิดก็สั่งให้มันคิดไปในทางธรรมได้อย่างคนที่ยังไม่มีสติไม่มีสมาธินี่ไม่เคยคิดไปในทางธรรมเลยนะคิดแต่ไปในทางกิเลสใชนะ่ไหม วันนี้จะไปหาเงินที่ไหนวันนี้จะไปหาความสุขที่ไหนดีกันคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้เวลายังไม่เคยคิดว่าวันนี้ไปวัดดีไหมวันนี้ไปปฏิบัติธรรมดีมั้ยต้องมีเหตุการณ์บังคับจริงๆน้ำตาหลั่งยังทนไม่ไหวถึงจะไปวัดนสักครั้งหนึ่งถ้าสนุกถ้าสุขวันไหนแล้วลืมวัดเลย คำถามจากคุณสุระเดชค่ะเมื่อเราปฏิบัติธรรมจนเหมือนมีจิตเหมือนมีอีกคนหนึ่งมาพูดกับตัวเองและจิตนั้นพูดกับเราเป็นภาษาบาลีหรือภาษาบทสวดมนต์ที่เราแปลไม่ได้เราไม่สนใจไม่ทราบว่าเราทําถูกต้องหรือไม่คะเวลานั่งสมาธิไม่สนใจใดๆให้สนใจอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ใช้กํากับใจถ้าใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียว จะมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจคำถามจากคุณชนะตนค่ะถ้าที่ฟังพระอาจารย์และปฏิบัติควบคู่ไปด้วยยมเข้าใจว่าผู้ปฏิบัติต้องติดวิเวกไม่คุกคีเพื่อสร้างสติสมาธิให้เข้มแข็งก่อนจนถึงขั้นมีปัญญาตัดกิเลสได้หมดจึงออกมากระทบสิ่งภายนอกได้โดยใจไม่ทุกข์ได้ทุกสถานการณ์เพราะตัด ตราบใดถ้าใจยังไม่บรรลุขั้นสูงสุดเวลาใจกระทบสิ่งภายนอกโดยสติสมาธิปัญญาไม่พอใจจะยังทุกข์อยู่ไม่มากก็น้อยถูกต้องไหมคะก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าออกบชวชบำเพ็ญอยู่ใน ป, ป่าหกปีไม่ออกไปไหนเลยไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครเลยพอหลังจากตัดสรตรูละเทนี้ก็มาสั่งสอนคนไปได้ทุกคนทุกแขน คำถามจ้าคุณทวิชาค่ะคนที่บรรลุทาแล้วจะไม่มีความสุขทั้งโลกและจะเกิดความเบื่อหน่ายทั้งโลกเลยใช่ไหมคะไม่เบื่อหน่ายเฉยๆกับมันไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรกับมันรู้เฉยๆไม่เบื่อหน่ายแต่ก็ไม่ยินดีไม่เบื่อเบื่ออยากๆยากแบบพวกเรา <c oughs> บางทีก็เบื่อ เวลาเจอกก้างเจ้กระดูกก็เบื่อกันพอเจ้าเนื้อนิ่มๆก็อยากกันพวกเรามันเบื่อกันแบบนี้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าพาาระลานนี่ท่านไม่ท่านไม่ได้มีความสนใจกับเนื้อกับก้างกับกระดูกถ้าถึงเวลาจะต้องกินก็กินมันได้กินเนื้อก็ได้ก้างก็เขียทิ้งไปได้พระพุทธเจ้าพาาระลานก็ยังต้องอยู่กับโลกอยู่ แต่ท่านไ ม, ไม่ไม่เบื่อเบื่ออยากอยากแบบพวกเราท่านยังสัมผัสกับโลกกระทำแปดอยู่ราบยศสารเสรนท่านก็ยังสัมผัสอยู่แต่ท่านไม่ไม่สัมผัสแบบพวกเราท่านสัมผัสแบบน้ำหยดน้ําบนใบบัวเข้าใจไหมมันไม่รวมกันมันไม่ดูดก้าหากันแต่พวกเรามันแบบหยดน้ําบนกระดาษซับพอหยดเข้าไปปั๊บซึมเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอได้อะไรมาดีใจก็ดีใจสุดๆเลย พอเสียอะไรไปก็เสียใจสุดๆเลยะเนี่ยเรียกว่าเป็นอันเดียวกับมันเวลามามันมาก็สุขกับมันเวลาไปก็ทุกข์กับมันแต่พระพุทธเจ้าพระอาหารนี่เวลามันมาท่านก็ไม่สุขกับมันเวลามันไปท่านก็ไม่ทุกข์กับมันท่านเฉยๆไม่ยินดียินร้ายมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไปก็ได้อยู่ก็ได้ท่านไม่มีอะไรกับมันเพราะท่านไม่ต้องพึ่งมันไงท่านมีความสุขในใจ มีความสุขในใจก็ไม่ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญไม่ต้องพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะไม่ต้องพึ่งร่างกายแต่พอไม่มีความสุขในใจมันก็ต้องออกไปพึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะพอเสียมันไปก็เสียอกเสียใจกันถึงกับกระโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายกันะคำถามจากพุู่้บระสภคออกนามค่ะหนูใช้การเดินจงกรมโดยบริการพุโทโธ สลับกับการนั่งสมาธิโดยการดูลมหายใจเ ร, เริ่มทำไปได้ระยะหนึ่งรู้สึกว่ามีสติและสงบขึ้นตามลำดับแต่เจอกับอุปสรรคข้อที่ว่าหนูยิ่งฝึกฝนตัวเองให้สงบมากขึ้นเท่าไหร่กับมีความคิดอกุศลวิปรารเริ่มเครียดกลัวที่จะเข้าหาครูบาอาจารย์ขอพระาอาจารย์เมธาด้วยค่ะก็อย่าปอย่าปล่อยมันคิดสิเวลามันเกิดความคิดไม่ดีก็ใช้พุโทโธหยุดมัน เวลาคิดไม่ดีก็บริการมพุโทโธพุโทโธไปแล้วก็บอกว่าอันนี้มันไม่ดีอย่าไปคิดท่า น, นเองสอนมันไปเรื่อยสอนมันไปแล้วหยุดมันต่อไปมันก็จะเลิกคิดเองคำถามจากคุณนาราค่ะผมตักบาตพิจารณาอาหารที่กำลังใส่บาทว่าอาหารกินไปเป็นของไม่สะอาดสุดท้ายขัดถ่ายเป็นของเสียที่ไม่น่ายินดีเลยทาแบบนี้ได้ไหมครับทำไม้ว่าไหมไมนะ่ทา กำลังผมตักบาตพิจารณาอาหารที่กําลังใส่บาตว่าอาหารกินไปเป็นของไม่สะอาดสุดท้ายขับถ่ายเป็นของเสียที่ไม่น่ายินดีเลยทําแบบนี้ได้ไหมครับทําไปทําไมล่ะอันนี้สําหรับคนกินคนให้ไม่ไม่ต้องพิจารณาอย่างนั้นอคนกินต่างหากคนที่กินแล้วง่มมาโลคมาก ก็ลองคีดว่ากำลังกินขี้มันจะได้ไม่โลภมากเนะยัยไหมแต่คนให้ไม่ต้องไม่ต้องมาคิดหรอกเดี๋ยวต่อไปมันก็จะไม่ให้เลยมันก็จะไม่ใส่บาตรเลยงนี้กลัเอาบาเอาขี้ใส่บาตรต่อไปก็ไม่ใส่เลยใช่ไหมออันนี้สำหรับคนกินแต่เวลากินอาหารให้พิจารณาว่ามันจะเป็นขี้มันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มุมมามันจะได้ไม่โลภมันจะได้ไม่จู้จี้จุกจิกนะยัยหรือเปล่าออันนี้ สำหรับคนกินสําหรับคนใส่บาตรไม่ให้คิดอย่างนั้นให้คิดว่ากําลังไปสวรรค์กําลังให้อาหารใจให้คิดอย่างนี้การทําบุญทําทานนี้เป็นการให้อาหารใจเราให้เยอะๆใส่เยอะๆเดี๋ยวถ้าคิดว่าเป็นขี้วันนั้นจะใส่นิดเดียวเลิกใส่อ้เนี่ยมันไม่ประลาดเลยแล้วปฏิบัติทำกันเนี่ม มีมีแต่ท่านที่ยะำมีไปไป่ากิเลสกับมามาฟันตัวเองมีนีไว้ค่ากิเลสกับมาแฟมาแทงตัวเองแทนเดี๋ยวต่อไปก็จะไม่อยากจะทำบุญใส่บาตรเพราะคิดว่าเอาขี้ใส่บาตรไใช่หมอ่าต่อไปคำถามจากคุณเปิ้ลค่ะการพิจารณาสติปัฏฐาน จำเป็นต้องเรียงลำดับการพิจารณาไหมคะมันเป็นเหมือนเรียนเรียนวิชาเนะี่ยวิชามันก็มีวิชาง่ายวิชายากอย่างวิชาที่ง่ายที่สุดก็คือร่างกายร่างกายเห็นชัดที่ยากต่อมาก็คือเวทนาความรู้สึกเห็นยากหน่อยแล้วก็พิจารณาปล่อยวางได้ยากกว่าแล้วที่ยากที่นั้นก่านนั่นก็คือจิตเนี่ย มันมีสามตัวที่เราจะต้องพิจารณาเนี่ยเราต้องพิจารณาจากจากตัวง่ายก่อนแล้วค่อยไปหาตัวที่ยากขึ้นไปตามลาดับเรี่เรียนหนังสือเราเรียนชั้นอนุบาลก่อนแล้วค่อยไปเรียนชั้นปถมชั้นมัธยมสติปัฏฐานก็มีวิชาสามตัวที่เราต้องเรียนก็คือสี่ตัวคื อ, อกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยต้องเอาที่ละตัว การบรรลุมรรคผลนิพพานก็บรษย์ตามขั้นเนี่ยสาขั้นแรกนี้ต้องผ่านทางร่างกายสอบสอบข้อสอบของทางร่างกายกับเวทนาให้ได้ก่อนพระโสดาบันต้องปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาให้ได้ก่อนพระสกิรคาามีพระนาคามีต้องปล่อยความสวยงามของร่างกายให้ได้กันต้องเห็นต้องเห็นทะลุความสวยงามเข้าไปต้องเห็นความไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสวยงาม ถ้าเห็นความไม่สวยงามแล้วก็จะดับการอารมณ์ต่างๆได้นี่คือขอ้ขอขอ้ขอข้อข้อข้อแรกคือร่างกายถ้าพิจารณาผ่านร่างกายได้บรรลุถึงสามขั้นเลยขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีต้องผ่านร่างกายกับเวทนาส่วนถ้าจิตถ้าผ่านจิตได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ส่วนธรรมนี่ไม่ได้เป็น เป็นเป็นข้อสอบเป็นเครื่องมือที่เราต้องตรวจสอบหรือว่าเรามีทำเหล่านี้หรือเปล่าเราเห็นทำเหล่านี้หรือเปล่าเราเห็นอริยสัจสีหรือเปล่าเราเห็นไตรักหรือเปล่าเรามีโพชฌงหรือเปล่ามีนี่เป็นเครื่องมือทําถ้าไม่มีเครื่องมือก็จะไม่สามารถที่จะทําข้อสอบทางกายทางเวทนาทางจิตได้คําถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะ เวลาบุคคลที่ฆ่าคนตายแล้วถูกจับติดคุกใช้กรรมแล้วเวลาตายจะต้องรับผลกรรมนี้อีกไหมครับแล้วถ้าเกิดเป็นมนุษย์อีกบุคคลนี้จะถูกฆ่ากลับไหมครับถูกก็เวลาที่ติดคุกนี่มันใช้กรรมเฉพาะของของในโลกนี้ใช้ชดใช้ค่าเสียหายที่ทำต่อคนที่อยู่ในโลกนี้แต่กรรมที่ติดอยู่ที่ใจยังไม่หมดตายไปก็ยังต้องไป ตกนลกต่อไปหรือแล้วถ้าชาติหน้ากลับมาเจอคนที่เราฆ่าเขาเขาอาจจะกลับมาฆ่าเราเพราะเขาจำเราได้เขายัางมีความผูกอาฆาตพยาบาทอยู่เขาก็จะมาฆ่าเราได้คำถามจากคุณพิทาค่ะวิธีจัดการกับความโกรธ หรือความไม่พอใจในสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ดังใจเราที่เกิดขึ้นมาในใจควรทำยังไงครับก็อยยาไปรหยากกับสิ่งต่างๆนี่ความอยากนี่แหละทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอก็ไม่ทำก็โกรธอยากให้กล้วยเป็นสับปะรดพอกล้วยไม่เป็นสับปะรดก็โกรธนั้นต้องปล่อยให้เขาเป็นตามเรื่องของเขาเขาเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไป เขอยากจะดื่มสุราก็ปล่อยเขาดื่มไปถ้าไปอยากให้เขาไม่ดื่มสุราพอเขาดื่มก็โกรธเขาเสียใจเนีความโกรธความไม่พอใจของเรานี้เกิดจากความอยากของเราที่ไม่ได้ดังใจอยากถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่โกรธเราจะไม่เสียใจจะไม่พอจะไม่มีความไม่พอใจใช่ไหมคนที่เราไม่ไปยุ่งด้วยเราไปโกรธเขามเอม เขาจะเอาหัวเดินก็เรื่องของเขาใช่ไหมเขาจะไปป้นธนาคารก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไปทำอะไรที่เราต้องการเท่านั้นเองแต่พอคนใกล้ตัวเราทำไมต้องปอยากกับเขากับแฟนเราเนี่ยอยากให้เขาเป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างงี้ขึ้นมาทันทีพอเขาไม่เป็นก็น้อยใจเสียใจโกรธเขาปัญหาอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเรา ล้ว เ, เราตอบความอยากได้แล้วเราจะไม่มีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้จักไม่ไม่โกรธใครคาถามจากคุณเปิ้ลค่ะจากที่ลูกฟังประวัติหลวงปู่มั่นท่านนั่งสมาธิโดยการเอาจิตไล่ดูกายจากศีรษะไปเท้านั้นไม่ทราบว่าการทาแบบนั้นวางจิตอย่างไรคะ อ, อ๋อไม่ได้เอาจิตหรอกควาว่าเอาจิตก็คือเอาเอาความคิดปรุงแต่งนี่เอาปัญญา พิจารณาด้วยปัญญาคิดว่าร่างกายนี้มีอาการสาสบสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก็เหมือนกับเราเรียนหนังสือเนี่ยเราเรียนหนังสือแล้วก็ใช้ความคิดเนี่ยความคิดก็คือจิตนีแล้วก็เรียนหนังสือก็ท่องจําใช้ความจำํำพอเวลาสอบก็จะทดสอบความจําเราสองบกสเท่าไหร่ถ้าเราท่องไว้สองบวกสองเป็นสต่อไปเวลาสอบเราก็จะตรวสอบได้อันนี้ก็เหมือนกัน ให้เราพิจารณาบ่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32ต่อไปเวลาเจอข้อสอบก็จะมาขอาร่างกายไปแล้วก็จะได้เคยเข้าไปได้อ๋อไม่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟแต่เราชอบลืมชอบเชื่อเป็นของเราอยู่เรื่อยจริงมันเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟลมที่หายใจเข้าไปน้าที่ดื่มเข้าไป ดินก็คือข้าวที่กินเข้าไปพนะอเข้าไปแล้วมันก็มากลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วเดี๋ยวต่อไปเวลามันไม่หายใจแล้วมันจะไปไหนมันก็กลับไปสู่ที่เดิมลมก็หายไปลมก็ระเหยออกมาน้ำก็ไหลออกมาไฟก็ก็จะลายไปเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นดินทิ้งไว้นานๆมันก็ผุเปื่อยนะผุกลายเป็นดินไป ก็มีเท่านี้แต่เราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่เรื่อยๆพอจะเสียมันพอเขาพอมันจะกลับไปเป็นดินน้ําลมไฟก็ไม่ยอมพอไม่ยอมก็เลยทุกข์กลัวกันแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆไม่ให้ลืมเวลาร่างกายจะเป็นอะไรก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราเว้ยมันแค่ดินน้ําลมไฟมันกําลังจะกลับไปหาเจ้าของเดิม เราเดินน้ำลมไฟเข้ามารวมกันตอนนี้ดินน้ำลมไฟก็ต้องการเอาคืนไปก็ปล่อยเข้าคืนไปเป็นของยืมเข้ามาไปยืมกระทะเข้ามาแล้วไม่ยอมคืนก็จะของก็มาทวงก็ไม่ยอมคืนทําเป็นลืมความลืมมาเลยคิดว่าเป็นของเราใช่ไหมอชอบลืมเนี่ยอย่าลืมสิค่อยเตือนใจอยู่เรียกว่าร่างกายนี้เรายืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวดินน้ำลมไฟก็จะมาเอาคืนไปอ ยทองเอาไว้จําไว้เนี่ยนี่ก็คือการพิจารณาร่างกายพอเวลาร่างกายจะตายก็จะได้รู้ว่าเขาจะม า, าคืนแล้วนะก็ให้คืนเข้าไปสิกระทา น, นั้นเองมันจะไปไหนเนี่ยมันก็กลับไปหาดินน้ำนงไฟเล้วพ่อเจ้าค้าแบบนี้ก็ต้องซ้อมทุกวันไปพูดกับตัวเองแบบพิจารณาเ่จนไม่ลืมอ่ะจนไม่ลืม อ, มมอแต่มันไม่ซ้อมอเลย เดี๋ยวกลับไปเรามาพรุ่งนี้ลองมารายงานเรื่าพิจารณาทั้งวันก็ปะลืมนวเนี่ยออกจากนี้ไปก็คุยกนะันละลืมหมดที่เราต่อไปคำถามจากคุณสีเมืองค่ ะ, าคคะการทำบุญในพระพุทธศาสนาทำอันไหนจึงได้บุญสูงสุดครับก็ต้องทำตั้งแต่อันที่ตาสุดก่อน ก่อจะทําบุญสูงสุดได้มันก็ต้องเหมือนขึ้นบันไดอ่ะมันก็ต้องขึ้นจากขั้นต่ําสุดไปถึงถึงขั้นสูงสุดจะกระโดดจะบินขึ้นไปไม่ได้เข่าใจไหมเวลาจะขึ้นไปตึกชั้นสูงเนี่ยจะถ้าไม่มีลิฟต์นี่ยจะทําไงก็ต้องเดินขึ้นบันไดไงไม่ใช่กระโจนขึ้นไปได้ไงเฉนั้นบุญสูงสุดนี้เราก็ต้องผ่านบุญขั้นต่ําสุดก่อนบุญขั้นต่ําสุดก็คือทางทานก่อนเนี่ยพวกที่มันชอบ พวกตนีพวกเสียดายเงินนี่มันจะไม่อยากจะทําทานมันอยากจะไปบุญสูงสุดคือปัญญาเลยปัญญาไม่ต้องเสียเงินฟังเทศฟังธรรมนี้ได้ปัญญาฟังธรรมดีกว่าไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าทําบุญทําทานนี้ต้องเสียเงินพวกที่ตนีก็เลยอยากจะเอาบุญสูงสุดบุญสูงสุดนี่ไม่ต้องเสียเงินนั่งสมาธิรักษาศีลก็ไม่เอามันไม่มไม่สูงพอต้องเอาปัญญา ปัญญามันสูงสุดแต่ก่อนที่จะไปถึงปัญญาได้มันต้องผ่านทางก่อนทำทางก่อนรักษาศีลก่อนนั่งสมาธิให้ได้ก่อนมันถึงจะได้ปัญญาคำถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะอยู่บ้านคนเดียวถือศีลแปลเป็นปกติแต่วันพักกิเลสจะแรงมากกว่าทุกๆวันพอพ้นวันพักไปก็จะเข้าสู่สภาวะป ก, กติวันนี้ รู้สึกถึงการราคาัในตัวเองแรงมากขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายช่วยแนะนำด้วยก็ต้องหมัอนพิจารณาสุภาะบ่อยๆนึกถึงอาการสามสิบสองนึกถึงอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังนึกถึงโครงกระดูกนึกถึงหัวใจปอดตับไตลำไส้นึกถึงอุจจาระปัสสาวะที่มีอยู่ในร่างกายคิดอยู่บ่อยๆท่องอาการสามสิบสองไป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 น้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำน้ำเงือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลจน้ำดีเยื่อในสมองสีรระอาหารเก่าอาหารใหม่ลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ปอดปอดไตพังผืดตับหัวใจม้ามเยื่อในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บขนผมท่องมันไป อนุโลมปฏิโลมอัดท่องไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเห็นภาพที่ไม่น่าดูของร่างกายแล้วการอารมณ์มันจะหายไปหมดสุดท้ายสุดท้ายคำถามสุ ด, สดท้ายคุณสุสีค่ะโยงใช้วิธีไปอยู่วัดเพื่อปฏิบัติอยู่บ้านแทบทำไม่ได้เลยค่ะจะมีวิธีไหนที่จะช่วยแก้ให้ปฏิบัติอยู่บ้านได้บ้างคะ ก็อยู่คนเดียวไงไล่คนอื่นไปให้หมดเลยแล้วก็เอาของทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านทิ้งไปให้หมดตู้เย็นอะไรของที่ไม่จำเป็นยังต้องมีก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดเลยมันก็จะเป็นเหมือนวัดขึ้นมาเอาแล้วนะอันนี้หมดคาถามหมดเวลาไม่ใช่หมดคำถามไว้วันต่อไปค่อยว่ากันใหม่